ขอใช้เวลานี้ตาลบธรรมเจ้าการฟังเรามีทิศทางเดียวกันออกบัวจากเรือนให้เจาเข้อได้เรือนเป็นนาคาลิกะบุคคลก็มีพ่อ แสงหาความหลุดพ้นม <c oughs> ายอยู่ด้วยกันจึงมีเวลาเช่นนี้เพื่อส่วนรวมให้เป็นสิ่งเวล้อมในขณะที่เราใช้ชี ว, วิตร่วมกันเช่นนี้เราก็มีงานมีการชวนตัว แล้วก็พูดเรื่องงานของเราเรามีความหลงเรียว่างานของเราเราไปความทุกความโกรธความโลภความรักความชางังความริใจเฉยใจนั่นล่ะ ง, งานของเราถ้าไม่ทำให้มันเฉดช้าเราก็ต้องมีภาระปัญหาไปเรื่อยๆ เ, เหมือนถนนหนทาง ที่ขขกระเดินไม่สะดวกก็มีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตใช่ความไปอยู่ลำบากชีวิตของเราเนี่ยก็ต้องมีการขูกขะกระทบกระทือนน่อตัวเองจนบางคนต้องสูญเสียสุขภาพร่างกายเสียชีวิตไปก็มีเจ็บไข้หรือป่วยเพราะ ก่อนใช้ชีวิตไม่ถูกต้องเราจึงมาทำให้สำเร็จซ้อนให้เป็นปพิมิตภาพ ถ, าถ้าเป็นทางให้ัเป็เบเรียบถ้ามีความหลงก็ต้องซ่อมความหลง ถ้ามีความทุกข์ก็ต้อง่อมความทุกข์ตธรร่ธยทมแต่มีวิธีทำให้สำเร็จได้ถ้าว่าเรามีชีวิตอยู่ไปยาวนานต้าเรียบซ่อมให้มันเฉดเฉแไหวหนุ่มเติรนนตื่นตึกศึกจะนุ่มจะได้ใช้ชีวิตไปยาวนาน นี่คนไม่ค่าไม่ประโยชน์ต่อตัวเองและคนอื่นด้วยชีวิตของเราก็เกี่ยวข้องกับคนอื่นซึ่งอื่นวัตถุอื่นปฏิเสธไม่ได้ต่างคนต่างซ่อมต่างดูแลซ้กำกรรมาฐานงานกรรมาฐานงานอันนี้โดยตรงแ้วก็ซ่อมได้จริงๆไม่ใช่ซ่อมไม่ได้ มันอื่นเชิงอื่นซ่อมไม่ได้อย่างรถเนี่ยซ่อมไม่ขึ้นต้องทิ้งเป็นเฉดเหล็กเอาไปขายรา <c oughs> คาก็ไม่ไม่ค่อยมีถ้าเป็นเฉดเป็นเด่นไปแล้วชีวิตเราไม่เป็นเยตนั้นแต่บางคนไม่ยอมซ่อมก็เป็นเด่นเลยทีเดียวไม่มีชีวิตชีวาติดคุกตลาด ไม่แก้ไขหรือสิ่งติดสิ่งเสบติดมีพฤษมีภัยตลอดเวลาน อ, อ้มันซ่อมได้นั้นหลงไม่หลงมีธรรมมีธรรมมันตรงกันมีความหลงมีความไม่หลง ซ่อมหลงป่าถ้ามันมีอ่ะพอซ่อมเสร็จแล้วก็ไม่ต้องซ่อมอยู่ใช้ได้ตลอดชีวิตไม่มีหลงไม่มีโกรธไม่มีโลคไม่มีทุกข์ไม่มีสุขไม่มีดีใจเสียใจชีวิตมันเรียบระเบิเราจึงไม่ขอที่จะให้มันงานข้างขางเอาไว้แต่มันหลงนั่นแหะดีจะได้ จะได้แก้ไขจะได้ซ่อมให้มันดีขึ้นมามันไม่มันไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่ยุ่งยากโดยเฉพาะวิชากรรมฐานเป็นวิชาที่วิ่ชาที่ส <c oughs> ักศิตย์กายพูดจะใช่ไมก็สะดวก เป็นสุขปฏิปทาสะดวกทำได้ถ้ามันหลงรู้อ่เป็นสุขปฏิปทาถ้าหล ง, ลงเป็นหล ง, ลงเป็นทุกขปฏิปทานื้อก็ตกหลุมตกบ่ออยู่ด้วยอัน การทำอย่างนี้ไม่ได้เกี่ยวกับอันอื่นมันอยู่ในตัวมันเองถ้าอันอื่นถนนทางมันเป็นหลุมเป็นบอ่อจะต้องเอาวัตถุชิ้นของมาแก้ไข <c oughs> เคล่นทางเทเข้าวัดเรามันแฉมันเป็นหลุมเป็นบอ่อในโอกาสนี้ก็ซ่อมไม่ได้ เพราะผลชุขจะเอาวัตถุสิ่งของเข้ามาเข้าไม่ได้ต้องรับกลับไปแต่ชีวิตของเราไม่เป็นเช่นนั้นนะนั่นยอยู่ในตัวมันเองถ้ามันหลงในผยไม่หลงก็มีอยู่แล้วถ้าเราจัวจักใช้ถ้าไม่ใช่ก็หลงเรื่อยไปจนตาย ทกไปเไปรื่อยไปจนตายโกรธเรื่อยไปจนตายเป็นชีวิตน้ำเน่าบางทีเป็นพระกรรมฐานน้ําเน่าหรือเขาอย่างเขาพูดว่านักการงางน้ําเน่าเอาแตนเรื่อนกับโกมาพูดกันเอาแต่วความหลงมาเป็นปัญหาเอาแต่วความหลงมาเป็นปัญหาเอาความโกรธมาเป็นปัญหาเอาความทุกข์มาเป็นปัญหา แต่ตัวเองแลวคนอื่นจนไม่จบมาชิ้นสักทีนี่ชีวิตน้ำเน่าอรเลยมีทุกข์มีโทษดเราสังผัส ด, ดูก็มีอยู่จริงๆเรื่องชีวิตน้ำเน่าชีวิตน้ำบริสุทธิ์น่าจะมี ในฐานที่เราเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาได้พบกับพระธรรมคำสอนไม่ต้องยอมจนเรื่องนี้นะนั้นเป็นสุขปฏิปทาสะดวกมันหลองรูนะ่เป็นงานที่เราทำชอบที่สุดทั้งหมด อย่างที่เราสาธทพระสูตรก็เพื่อละอโกศลที่ยังที่เกิดขึ้นแล้วไม่เกิดขึ้นอีกแกั่ก็เรื่องนี่แหละมีความรู้เนี่ยมีความรู้จึกตัวพิจารณาเห็นกายในกายถือเป็นประจำ นี่ ค, คือเพื่อละอกุศลที่ยังที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เกิดขึ้นอีกถ้ามันหลงก็ใช่ได้ทันทีไม่หลงนั่นก็เพื่อการนี้มีสติไว้เพื่อไม่หลงเวลามันหลงจะได้ใช่เพื่อไม่หลงถ้าไม่มีสติก็หลงเป็นหลงเป็นทุกขา ป, ปาติปัฏาไม่แก้เป็นหล่ออยู่ฉชนนั้น เพื่อป้องกัน อ, อ, อกศนุศลที่ยังไม่เกิดไม่เกิดขึ้นอีกไม่ให้เกิดขึ้นอี ก, ก, อกทั้งแก้ไขทั้งป้องกันในคราวเดียวกันวิชากรรมฐานเนี่ยและตรงกันข้ามเพื่อยังกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น ตรงกันแบบนี้เพื่ อ, อเมื่อกุศลได้เกิดขึ้นแล้วให้เกิดขึ้นอีกถ้ามีสติมันก็ไปทางนี้โดยตรงทีแรกก็ง่ายจะหลงต่อไปถ้าเราหัดไปฝึกไปใช่ไปง่ายที่จะไม่หลงนั่นแหละว่าเพื่ อ, อกุศลเที่ยงไม่เกิดให้เกิดขึ้น และเพื่อกุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้เฉลินมากขึ้นมัน yeah. <Yeah. S 1> ก็มีอย่างนี้ <Yeah. S 1> เป็นโกบเป็นกรรมอย่างนี้ <Yeah. S 1> ไม่ได้เสียงอะไรเลยวิชากรรมฐานเลยแม่น่าจะาขี้เกียจขี้ค้านแล้วก็มีอยู่ทุกการทุกเวลาแล้วก็แช่ได้ทุกการทุกเวลา ขอให้เราได้ใส่ใจดังนี้ถ้าใช่จะไม่จำนาญจะได้จบไปไวถ้าใช่แล้วทิ้ ง, ง, ง, คงๆควงๆก็เสียหายได้ด้านได้หยาบพลายได้เหมือนที่หลวงตาเป็นโรคความดันโลหิตสูงหมอบอกว่า โลกอันนี้มันดื้อมันดื้อยากเพราะันดื้อยาก็รักษายากเขาก็จะทั้งยาตัวใหม่เอาอันนี้ลองดูดีกว่าเก่าเอามาเอามากด็ดีแล้วบัดนี้ฮัลโหล ตะทิศเนี่ยไม่ถึงร3 0ยสามสิบร้อย1ี่สิบร้อยสิบอยี่สิบร้อยอ้าวมันก็ไม่ไดื้อแล้วมันไม่ดื้อแล้วยามันปาบปาบโรคได้ตามกำลังของยาชีวิตของเราทำมันดื้อไปแล้วนี่ยมีอีกยะทุกดงเขวัดเข้าไปขูดเข้าไปอืมขูดเข้าไป ไม่เยอะแยะถ้าม่ดื้อถ้าไม่ดื้อก็ไม่ต้องทำไม่ต้องทุดดงไม่ต้องอสมาทานนั่งอยู่นี่แหละแต่เป็นทุดดงง่ายๆโคดกง่ายๆมันก็ไม่ยากนะถ้ามีรอย ถ้ามันหลงรูปลบลอยหลงนก ล, ลอยหลงลักษณะที่ลบลอยหลงอย่างในพูดไปเช่าเนะ่ยเช่าหวานนะ่ถ้าหลงเป็นหลงได้ว่าเป็นลอยลึกเหมือนกับขีดเหมือนกับมีขีดบนหินลบยาถ้าหลงเป็นหลงทุกเป็นทุก ล้าหลงเป็นลูกลกลอยดินมาลอยขียดบนดินนยมันเป็นอย่างนี้นะสัมผัสกับรถพระธรรมรู้แล้วถ้า <c oughs> หลงเห็นมันหลงไม่เป็นคนหลงเป็นลอยขียดบนน้ำแล้วเรื่องอย่างนี้นะใครจะช่วยเราดัะจะให้เป็นลอยขียดบนน้า 100 100ตื้ลอยขีดบนดินลอยขีดบนเห็ดจุกับการกระทำของเราเรื่องเดียวเรื่องเดียวกล้มหลงลอยขีดบนเห็ดลบแม่ลบอีกแล้วก็ไม่มีคําลังพอลบไม่ถูกต้องน้อยขีดบนดินกล้มหลงตอนนี้ก็ ลักษณะเนี่ยคือกรรมฐมานเนี่ยปรับได้สุขทุกข์อะไรก็ตามอยู่ลักษณะเดียวกันทั้งหมดเกณฑ์เดียวทั้งหมดสูตรเดียวสวาคนเหมือนสูนสตรคณิตศาสตร์สูตรวิทยาศาสตร์ที่พวกเราทั้งหลายได้เรียนเรียนกันมาใช่ได้อัตรกรรมศิละปะกรรม ว่บ ก, กรรมอะไรต่างๆมีสูตรอันเดียวเพื่อใช่สะดวกถ้าเรียนรู้ก็ใช่สะดวกถ้าไปรู้ก็ไม่สะดวกใช่ไม่เป็นหลงเป็นหลงไม่ได้เรียนรูก้ก็ใช่ไม่เป็นทั้งท่านจะ่มีความรู้อยู่ ไม่ไดเอามาใช่ในสถานที่มันลงมีแต่ท่องจำจบหลักสูตรมานักทมตรีโทเอกจบมาแล้วแต่ใช่ไม่เป็นมันอยู่ที่กับการใช่แต่ใช่เป็นก็ชําเล็จประโยชน์และใช่ได้ทนทานแต่ใช่ไม่เป็นของดีๆก็ไม่ค่อยใช่ก็เสียหายได้ นั่นจะแกให้มีผีมือเชิดตนอถ้าหลงเหนมันหลงให้เป็นผู้หลงเหมือนรอยเขียบบนน้ำซ้ำมาลงไปไม่มีร่องรอยลงไปเอาให้มันเกี้ยงเกาไปเลยถ้าหลงหลงเอ่มันก็ไม่ทำอะไรสักทีไปไม่ได้ออกจากที่นี่ไม่ได้เหมือนหลุมถนนหลุม ที่ใดโคนตรงที่ไหนก็ไปที่ใดก็มีปัญหาที่นั่นเหมือ น, นเมื่อวานเนี่ยไปที่ใดก็มีแต่ป้ายตากน้ําท่วมผ่านไม่ได้ต้องไปทางอื่นเขาทำลูกศรไปทางอื่นแทนที่จะลัดช่านท่านก็ย า, าวไปถ้าหลงเป็นหลงเป็นผู้หลงก็ยาวไป ทุกเป็นทุกเป็นผู้ทุ ก, ทกยาวไปไม่สั้นเสียเวลาแล้วการกระทํากรรมฐานเนี่ยใ ห, ให้มันเจนจัดดังนี้กันจึงจะเคลื่อนไ้าไปได้จึงจะเรียบได้จึงจะเรียบได้มีฝีมือสักหน่อยทําอะไรต้องมีฝีมือสักหน่อยให้ยกนิ้วสักหน่อย มันก็ได้หลักมตรฐานแบบนี้ยิ่งกรรมฐานอารกรรมฐานเนี่ยมีไม่ีม่ขั้นตอนมีเห็นรูปเห็นนามตามความเป็นจริงบอเห็นรูปเห็นนามรูปนามมันจะบอกตามความชทดความจริงในรูปในนามไม่เลยมากบอกหมดบอกหมด วิธีเกิดวิธีแค่บอกหมททำกับเขาอย่างไงเรื่องรูปเรื่องนามทำผิดมันก็ผิดมีทุกข์มีทุกข์ทรมทุ ก, ทกมันก็หมดทุกหมดโทษถ้ารู้จักยด ไ, ได้หลักสูตรเห็นจิตเข้าไปวันเห็นจิตที่มันเกิดจากจิต เห็นธรรมที่มันมีธรรมทั้งหลายรูปกายเป็นอันเดียวเวทนาทั้งหลายมาให้เห็นหมดคิดจิดเดียวธรรมทั้งหลายเกิดจากคิดหลายอย่างมาให้เห็นหมดมีสติ เห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เป็นประจำมีสติสัมปชัญญะถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกที่มันเกิดในธรรมทั้งหลายออกมาเสียได้ถอนเห็นกิดในจิตทั้งหลายเห็นิตในกิจเป็นประจำ อะไรที่มันเกิดจากกิตมันจะต่อไปแล้วก็จะเห็นแก้งก็เห็นแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงแต่ก่อนไม่เห็นมันก็ยังไม่เปลี่ยนอะไรขึ้นถ้าเห็นแล้วมันเปลี่ยนแปลงขึ้นมาแต่ก่อนเห็นแต่ก่อนไม่เห็นมันก็เป็นพอเห็นแล้วไม่เป็นแล้วก็เปลี่ยนความไม่เป็นมีจะเห็นไม่เป็นแล้วก็หลุดพ้นจากสิ่งต่างได้ เป็นกายก็ดีเป็นเวทนาก็ดีเป็นจิตก็ดีเป็นธรรมก็ดีเทือนออกที่เก่าพ้นภาวะเก่าเหมือนช่อมถนนตีกัเก่าไม่ติดไม่หลงม่หมอไม่มีหลุมไม่มีบ่อสะดวกในการใช้ชีวิตของนักกรรมฐานถ้าทำเฉร็จสะดวในการใช้สะดดในการใช้ ช, ดดใ ช, ชีวิต ใช่ตาใช้หูใช้จมูกใช้ลิ้นใช้กายใช้ใจเพื่อก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจรับใช้ชีวิตให้ได้สะดวกถ้าไม่รู้มันก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจมันใช้เราเราก็เป็นทาสของมันรับใช้มันถ้าเราลู่แจ้งเรื่องนี้กันก็เราก็ใช้มันก็สะดวก ถึงมรรคถึงผลถ้ามันใช่เราก็ถึงอบายได้เป็นเปตเป็นสันลกเป็นในรชานอสุรกายไม่เจริญเสียชาติไปเปล่ า, าเราจึงมาฝึกกันนะกรรมฐานเนะ่ไม่ควรหลีหลอกวิชากรรมฐานเป็นวิชาที่ท้อมให้ใช่ เหมือนกับวัตถุจั่งของที่พร้อมไม่ใช่อะไรที่มันพร้อมไม่ใช่พร้อมใช้งานเครื่องมือที่พร้อมใช้งานรถที่พร้อมใช้งานกายใจที่พร้อมใช้งานเพื่อความสะดวก <c oughs> ถ้าเราศึกษามันบอกแค่นั้นนะ เพื่อความสะดวกจริงๆเพื่อใช้งานจริงๆสำเร็จประโยชน์ใชเป็นมรรคเป็นผลไม่ใช่เป็นทุกข์เป็นโทษเราจึงไม่น่าจะจนเลานี่ให้ทำให้แยบคายดูเชื้ออย่าให้ด้านมันหลงให้แยบคายในความหลงแยบคายในความไม่หลง ให้มันคมคมสักต่อยให้มันมีน้ำหนักสักหน่อยให้มันมีความฉลาดตรงนี้ชักต่อยถ้ามันตู้มันทึบนะก็ด้านมันมีดที่มันฟันเลยไม่ขาดไม่เข้าและไม่มีน้ำหนักแล้วก็ทำไม่ได้เลยถ้ามันตู้ๆตี้ๆนะ เียวว่าปุถุชนว่าเนยยะปะทะปละมะามันตู้มันทึบมันหนาถ้าทไม่ถ้าไม่ทำมันก็หนาเลยไปปล่อยมันด้านไม่ได้ให้แยบคายดูมีสติมันพร้อมแล้วรู้กายพร้อมแล้วเห็นเวทนาพร้อมแล้ว เห็นจิตพร้อมแล้วเห็นธรรมพร้อมแล้วแล้วก็มีสี่ด่านเท่านี้พร้อมที่จะพร้อมที่จะผ่านได้สี่ด่านนี้กักไม่อยู่กายกักไม่อยู่อะไรที่เป็นหลงเรื่องกายกักไม่อยู่แล้วหมดไ ม, ม่แต่ภาวะที่รู้ที่เห็นไปเวทนาที่มันเกิดขึ้นเวชนุกขเป็ทุกข์เอาพร้อมแล้ ว, ลวเห็นแล้ว ที่มันคิดไหลไปเพราะมันดึงมันจูงไปยิ่งใหญ่เป็นใหญ่ในทางที่เถื่อนเถือนเห็นแล้วเห็นแล้วไม่ได้หลงไปกับมันหรือล้วทำที่มันพาให้เกิดอะไรขึ้นลักษณะท่าทางต่างๆเป็นจก <uk, S 2> เป็นทุกข์ พอใจไม่พอใจเห็นแล้วไม่ได้หลงตรงนี้แล้วอะไรที่มันเกิดขึ้นมาเห็นแล้ ว, ลวอ้อยหลังแล้วมันก็สะดวกแล้วบชีวิตก็สะดวกแล้วมันก็อยู่กับเราเนี่ยมันเกิดก็มาเกิดกับเราเนี่ยเราก็เป็นคนที่ใช่ให้มัน ถ้ามันถูกถ้ามันผิดเร า, าใช่มันถูกถ้าไม่ดื้อขนาดเหมือนกับสอนไม่ไเหมือนกับสัตว์ติริชานมาสอนได้อยู่แต่นัดประเสริฐชีวิตของมนุษย์ของคนเราเนี่ยถ้าเราไม่สอนก็ก็ไลย่ยิ่งกว่าสัตติริชานชีวิตของเรามัน มีทุกข์มีโทษมีนรกมีเปรตมีสุรกายมีรลสชานในกายในเวทนาในจิตในธรรมเนะี่ยถ้าเราใช่เป็นก็เป็นมักเป็นผลตรงนี้ได้ไปทิศทางได้แต่ใช่ไม่เป็นก็หลงอยู่ตรงนี้กักขังเราอยู่ที่นี่เป็นภาระราอยู่ที่นี่ทุกฉยก็ทุกไปทุกที หลงที่ใดก็หลงไปทุกทีโกรธที่ใดก็โกรธไปทุกทีพอใจไม่พอใจที่ใดก็รับเป็นไปทุกทีมันกักไปแค่นี้เลยหลงเป็นหลงมันกักโกรธเป็นโกรธโลภเป็นโลภทุกข์เป็นทุกข์มันกักไ ป, ไปไม่ได้ตกกับขังผู้ไม่ผู้ไม่มี พลังไม่มีศรัทธาไม่มสะติ ถ, ถูกถ ก, กักขงังนัดลึงไว้ผู้มีพลังไม่ศรัทธามีฉะตกถุกกักขังเมื่อใดกะโดดถึงยอดกอดมองกุฎตรงที่มันรัดอาจจะ ก, กระโดดได้ดีแก้ได้ดีแก่ไขชอบแก่ไข ในชีวิตของลองมันเป็นกรอบเป็นกรรมขึ้นมาทำสำเร็จบางทีถึงจุดที่มันสำเร็จถึงความแยบขายมันอาจจะยกมือไหว้หน้าอกตัวเองขึ้นมาสักครั้งหนึ่งหรือมีคำพูดในใจ อ, ออกมาสักครั้งหนึ่งโตไปนี้ จะไม่เอากายเอาใจมาเป็นสุขเป็นทุกข์อีกต่อไปต่อไปนี้จะมีขี่ชาติจีพกจะไม่โอกายเอาจิตมาเป็นสุขเป็นทุกข์อีกต่อไปเป็นคําในใจลึกๆชักครั้งหนึ่งก็จะดีนะเป็นลอยไว้เป็นความยิ่งใหญ่เป็นความยิ่งใหญ่ มีอำนาจถ้าได้สัมผัสถ้าได้ลำพึงในใจไม่ใช่ลำพึงนะอาจจะพูดภาษาไหนนะเป็นอำนาจว่าได้ดูมยิ่งใหญ่ภาวะที่ยิ่งใหญ่คือไม่เป็นสุขเป็นทุกข์กับกายกับใจยิ่งใหญ่กว่าทุกอย่างชีวิตเราลยยิ่งใหญ่ตรง น, นี้ ไม่โอากายไม่เป็นทุกข์เมื่อกายเป็นทุกข์อีกต่อไปความยิ่งใหญ่ที่สุดเหนือโลกก็ว่าได้อยู่เหนือโลกก็ว่าได้แล้วเราก็ทําได้ทำไมถึง ท, ทำไม่ได้เรื่องอยู่ในกำมือเราแท้ๆไม่ไม่ไมสลักจิตแน่นอนนะ จริงๆถ้าได้พูดคำนี้ออกมาแล้วในใจออกมาแล้วมันจะมีเมื่ อ, อไหร่จะได้เป็นศิลปะขึ้นมาจะดีมันเจ็บมีศิลปะมันตายก็มีศิลปะในเรื่องกายเรื่องใจนะ่เพราะได้พูดไปแล้ว ได้ได้ประกาศไปแล้วไม่มีควาว่าจะไม่เอากายเอาใจมาเป็นสุขเป็นทุกข์เนี่ยได้ประกาศไปแล้วมันไม่มีเอื้อนอีนนกหรอกชีวิตเรานะีมีเท่านี้ในกายม่ใจจะในกำมือจะในอำนาจ องชีวิ ต, ช, วตชีวิตคือมีอย่างนี้ชีวิตไม่ใช่หายใจเข้าหายใจออกเป็นชีวิตนั่นก็โทษแต่ชีวิตที่หายใจเข้าหายใจออกเพื่อการนี้นเพื่อใช่การนี้ให้เกิดประโยชน์ <c oughs> ต่อทุกอย่างในโลกไม่ให้เป็นทุกข์เป็นโทษต่อทุก ท, ทุกอย่างในโลกมีมีลมหายใจเดินได้ใช้ได้ก็คือเรื่องนี้ ไม่ได้มีชีวิตเติร์นได้หายแค่ได้กินได้นอนได้เพื่ออย่างอื่นเพื่อการนี่โดยตรงนะเนี่ยมีนะชีวิตของมนุษย์มีอย่างนี้กุฏิเจ้าเป็นอย่างนี้แหละอาถวรก็เป็นอย่างนี้แ่ละพวกเราทุกวันนี้ก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันให้เหมือนเห็นกระแสเอาไว้ อ๋อฝึกสติมาเห็นกระแสนะเห็นกายเห็นกระแสนะใต้กระแสนะเห็นความหลงได้กระแงความไม่หลงงา่นเห้นความทุกข์ใต้กระแชงความไม่ทุกข์เห็นความโกรธใต้กระแชงความไม่โกรธทาเป็นด้วยแล้วก็ทําอยู่เดี๋ยวนี้ยกมือเคลื่อนไหวลู่อยู่เดี๋ยวนี้จะหลุดไปได้ยังไงที่ตั้งมาอยู่ที่นี่ ปิจารเห็นกายในกายอยู่เป็นประจํามีสติอยู่นี่มัจะหลุดไปตั้งเกินมันจะไปได้เลยอหลายใจหรือนอกใจเลยกรรมฐานหลายใจหรือไม่ใช่ปิจ า, าเห็นคิดในจิตอยู่ในนี้ตอนความพอใจใดความไม่พอใจอันนี้เกิดกับคิดออกมาได้ออกจากโลกมาได้เนี่ยเราทําได้อย่างนี้่ มันไม่ว่างไม่ใช่หลายใจเหมือ น, นหญิงหลายใจชายหลายใจรักคนนี้ไปรักคนโน้นพอใจคนโน้นทิ้งคนนี้ไปนั่นมันไม่ใช่เป็นคนอนัตตาเป็นค น, คนที่พึ่งมาได้ เขาเพึ่งเขาก็เพิ่งไปได้แล้วแต่เขาจะดึงไปทางไหนอารมณ์เป็นญาดเรามาเห็นธรรมต้องรวมทั้งหมดธรรมคือทั้งหลายทั้งหลายเป็นกุศลเป็อกุศลเป็นความดีเป็นควา ม, มชั่วส่วนเวทนาในเวทนาทั้งหลายนั่นก็คือมัน รสชาติของความสุขความทุกข์ความอะไรต่างๆทั้งหลายนั่นคือเห็นถอนออกมาได้แล้วทำไมรนจะทำะไมได้แล้วเนี่ยตัสสะที่เห็นไม่เป็นเนี่ยมันต่างกันคนละโลกเลยอนหนึ่งมันอยู่ในโลกอนหนึ่งมันเหนือโลกพ้นโลกนะต่ว่าอย่างไงจะได้ ไม่เสียเวลาวันหนึ่งนาทีหนึ่งเพื่อการนี่เถอะพวกเรานี่พรรษาก็นิดเดียวทำอะไรยังไม่เสร็จเลยชีวิตมันน้อยนิดจริงๆถ้าจะพูดถึงสิ่งแวดล้อมเราเน่ยแต่ยแต่หายใจไม่ได้ก็เพียงนาทีสองนาทีก็หมดแล้วชีวิตเนี่ยอย่าใช้ให้มันผิดให้มันมีค่าสักหน่อย เราใช้ชีวิตร่วมกันก็ให้เป็นเป็นการนี่ทำอะไรก็เพื่อเรื่องนี้ความสะดวกที่อยู่ร่วมกันกับเพื่อเรื่องนี้ไม่ได้เพื่ออื่นอื่นปุงผู้ปรุงอาหารก็เพื่อเรื่องนี้โอ้ปฏิบัติกับเพื่อการนี้ไม่ใช่ปรุงอาหารเอาความดีความไม่ดีเอาควา อะไรต่างๆมาใช่เพื่อเรื่องนี้ผู้ปฏิบัติธรรมเดินจงกรมสร้างจักรวก็เพื่อเรื่องนี้อยู่ใช่ไหมก็เพื่อการนี้เราก็เลยเป็นคนคนเดียวกันมีวิญญาณแบบเดียวกันตรงกันเห็นหน้ากันก็ตรงกันมีชติเวลามันหลง ก็ช่วยกันมาได้เราต้องช่วยเองต่างคนต่างช่วยตัวเองอย่างนี้นะให้มันเรียบซะลอยอะไรที่มันมีในชีวิตเราให้มันเรียบซะ้อยหลง้ลอยโกรธอยทุกข์อยชกเรียบหลงชางแต่ได้ช่ชีวิตสะดวกสะดวก น, น้าเลื่นไปมิตรภาพ เป็นพระสีชาตนาพระสีอริยแม่ตายต่อจากโคตโมโง่ได้ไปเอาทมคำสอนของพระโคตมโม่ไดต่อถังพระสีอริยแม่แตจบละบะ้างอย่าทนที่มันหมดโอกาสมันแก่มันเท่ามันหมดไปเป็น การเวลามันกืนกินชีวิตเราไปเดี๋ยวนี้นะักวิทชาศาสตร์ก็ทำนายโลกจะ<ต>สลายอีกไม่นานเดี๋ยวนี้ก็สลายลงแล้วหลายๆายอย่างแล้วอันในโลกภายนอกโลกภายในของเราเนี่ยในกายในใจเรานี้มันมีอะไรที่มันพอใช้ได้ใช่ไมมได้ให้รู้จักมันซะเลือกได้ช เอาความที่มันถึงที่เป็นประโยชน์ิึงไหนที่เป็นโทษทิ้งไปเอาทิ้งไปอย่าให้เป็นน้ำเน่าความหลงหลงแลง้วหลงอีกมันน่าจะวิลาขะเบื่อหน่ายถ้ามันมีสติมันเบื่อหน่ายจางทายถ้ามีมีสติก็ถือว่าเหล่าะเพราะเรามีสติมันต่างกันกันกบคคาม หลงของมุกความทุกข์เจ้าววลาค่ะเห็นมันที่ใดก็ววลาค่ะแต่วิชากรรมฐานน่าเกลียดเป็นอสุภะกรรมฐานอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นบเจ้าเราเนียเป็นอสุภพระกรรมฐานไม่ใช่ไปมองซากศพน่าเกลียดที่สุดคือความคิดที่มันหลงไปไม่ได้ตั้งใจ น, ะน่าเกลียดมากฉุกปุก ไมต้องไปพูดไปทรถ้ารู้จักมันจบปกอสุภโตลี่ก็เรื่องการผู้การทําการนั่นเป็นมือที่สองมือคดีหรือโทษอันดับหนึ่งจำเลยอันดับหนึ่งคือความหลงจำเลยอันหนึ่งคือความหลงความคิดความคิดพอสุขพอทุกข์เป็นจำเลยที่สง มันจึงเห็นตัวนี้ชัดเจนที่สุดเลยคิดที่มันตั้งใจเปลี่ยนแปลงตัวนี้ได้เยอะแยะเลยดือนฐานะได้เยอะแยะเห็นความคิดนะเน่าดืนชั้นทีวิตได้มากมายเห็นความคิดที่มันไม่ตั้งใจตื่นมากตรงเนี้ยนะถ้ามีสตินะถ้าไม่มีสติก็ไม่ค่อยเห็นนะา อยาตรงนี้ด้านตรงนี้ได้ถ้าไม่มีสตินะถ้ามีสติแนตะ่ว่ารสชาติตรงนี้นะมันได้รสได้บทเรียนพิดเป็นครูตรงนี้รู้เป็นตีข้ดีเป็นตาตรงนี้จะลบเปลือนมันก็ลบตรงนี้ทันตรงนี้มีสติตรงนี้ ชำนาญตรงนี้เป็นปริญญาตรงนี้จย่างอริชชจีว่าจาะตัปริญญาจะตันติจะคุ้อุทาปาินีแล้วก็ปหานาตันตหานาปานตันติจะคุ้อุทาปาิเออจะมาได้ หนึ่งลูกสองล ะ, ละสามทงหมดไปเจอะปะเญญญายาตาเป็ญญาติอคณะเป็ญยาตันเตเวพกเวตันติแปลว่าแกะแงงปะหานะตันยาตาเป็ญาาปญาเตคณะเป็ญยาปหานะริญญาหมดไปหมดไป สามพัดแล้วหมดไปในระว่ามันสนุกนะตรงนี้สนุกมากๆเลยการใช้ชีวิตน่ะอาจจะหัวเลาะตรงนี้เวลามันมีอะไรเกิดขึ้นมันทุกข์มันทุกข์หัวเลาะแยบคายตรงนี้แต่ก่อนโกรธ น, น่าเศร้า ทุกหน้าเศ้ า, าเดี๋ยวนี้ถ้าทําไปทำไมถ้ามันมีอย่างหัวเลาะเ ย, ยอะเย้ยได้นะนเหมือนเหมือนช้า ง, งาหาง่าหัวช้างมันจะเฉยมันจะองค์อาจตรงนี้มันทำอะไรทำไมได้เหมือนตัวนิ่มเมลามัน เลื่อยไปหมาวิ่งไปกัดมันมันก็ขดเข้าหมาก็หมดปัญญาเตามีอวัยวะพอหมาวิ่งใชยขดอวัยวะเข้าที่ว่ากระ ด, ดองของมันนักกประถานก็มีกระ ด, ดองแบบนี้ใช้ได้ตลอดพบตลอดชาติ มันเจ็บเหนมันเจ็บมันเจยให้มันเจยมันตายเห็นมันตายเป็นศิลปะเรื่องนี้กันต่างชวนโมกว่าสวนโมกเนี่ยตายก่อนตายปริญญาของสวนโมกเราจะน่าจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันกระตานิพปริญญาที่สวนโมกคือตายก่อนตายเห็นแล้วมันหมดแล้ว หมดคือมันไม่มีแล้วชาติแบบความหลงความโกรธความทุกข์ไม่มีแล้วมันจบไปแล้วสิ้นภพสิ้นชาติตรงนี้แล้วนี่กรมาฐานเป็นอย่างนี้จึงยกให้เป็นวิชาเอกทางอันเอกถึงจุดหมายปลายทางแน่นอนสมควรแก่เวลากอาภัพิ้องกัน